พระธรรมเทศนาแผ่นที่110ลํรำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่16กันยายน2560รมีชื่อเรื่องว่านักเลงเจอนักเลงลูกหลานทุกคนอยู่ในความสงบฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะลูกหลาน วันนี้เป็นวันที่วันเสาร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2560วันนี้พอมานั่งประจำที่ก็ได้เห็นศรัทธาญาติโยมทั้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายติดลำติดในน้ำโพงโอ้มาบริจาครวมสร้างเจดีย์ขององค์หลวงตาหลายคนเหมือนกันนะ ผลละกองละกองละกองให้ได้บุญได้หลายคณะจตทายญาติโยมลูกลานคนที่หนึ่งคณะสงฆ์วัดเจริญธรรมมารามบ้านขุมคำอกองหนึ่งสามพันบาทคุณพ่อเขียวออมศิลคุณแม่ประพาพรสอนคำแก้วอันนี้ก่อหนึ่งกองสามพันบาทคุณชลิสกุลสอนคำแก้วหนึ่งกองคุณอนุพงคุณเสริมสกุลสี ลีพงหนึ่งกองคุณยายตุ๊กความพบครัวหนึ่งกองคุณธงชัยโสภาพง1์หนึ่งกองดาบตรีชาญชัยโสภาพง1์หนึ่งกองคุณมงคลคุณวะไหลวะรัตแสงใสหนึ่งกองรวมสอง0มสี่พันบาทให้ได้บุญได้หลายนะลูกหลานนะทุกคนร่วมสร้างเจดียด์ขององค์หลวงตา หลวงพ่อได้รับหลวงพ่อก็จะเอาเข้าบัญชีเตรียมเพื่อจะสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาที่ยังเหลือยังขาดทุกจุดไหนที่จะต้องได้ใช้ปัจจัยยังขาดอยู่นะเรื่องเจดีหลวงตาแต่ก็ทุกคนให้เป็นหน้าที่ถือว่าเป็นหน้าที่ถึงจะมากหรือน้อยก็ควรจะมีส่วนร่วม เพราะหลวงตาทำคุณให้กับประเทศชาติกับลูกกับหลานพวกเราเมื่อท่านจุตินิรพานไปแล้วพวกเราจะสร้างอนุสรณ์สถานถวายท่านร่วมการสร้างอนุสรณ์สถานเจดี์พิพิธภัณฑ์ถวายองค์ท่า น, เ ป, นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องได้ช่วยกันคิดนะเพราะท่านเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธา เราเชื่อในองค์หลวงตาแล้วก็เ น, นี่ยรวมพร้มกันถ้าไม่เชื่อไม่นับถือไม่เลื่อมใสแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะได้บุญจุดนี้เราก็ไม่ต้องนะ อ, อไม่ต้องเพราะอะไรเพราะคิดว่าไม่ได้บุญจะทําทําไมนะแต่ผู้ที่คิดว่าจะได้บุญทําเลยนะั้นลูกหลานหลวงพ่อเองมั่นใจมั่นมั่นใจบุญคุศลจุดนี้มหาศาลในความรู้สึกของหลวงหลวงพ่อนะ เพราะนั้นหลวงพ่อจะได้ทุ่ ม, ทมเททุกอย่างสนับสนุนสนับสนุนทุกอย่างเพื่อจะให้เจดีพระวิหารพิพิธภัณฑ์ของหลงตาตั้งงานขึ้นที่วัดป่าบ้านตาดนะแล้เขาขอแจ้งข่าวกระถินวัดป่าบ้านตาดเหมือนกันนะจะมีการทอดพ้าป่าวันที่เจ็ดตุลาคมวันนี้ก็เป็นวันที่ส6บกนะั้นทุกหลานนะสิบหกกันยายน กันยาตุลานะอีกไม่กี่วันข้างหน้าถ้าใครจะเตรียมตัวการเดินทางก็เตรียมตัวได้แล้วจองตั๋วได้แล้วนะแลยจะเตรียมรถดูสภาพรถของตนเองได้แล้วแนอะที่จะเดินทางไกลหรือจะเดินทางไปทอดกระถินที่วัดป่าบ้านตาดวันที่เจ็ดตุลาแล้วก็วันที่ห้าวันที่ห้า ตุลาลเป็นวันออกพรรษานะลูกหลานนะหรือ ว, ว่าใครจะมาออกพรรษาตามวัดต่างๆที่รักเคารพในครูบาอาจารย์ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วในพรรษาข้าพเจ้าจะทำอะไรบันนี้ออกพรรษแล้วเมื่อตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็มารับพรเลนมารับพรกับพระพุทธปฏิมาผู้ข้าได้ ทำสําเร็จแล้วไหวพระทุกวันไม่ได้ขาดไสบาตรทุกวันไม่ได้ขาดมีศีลห้าประจําไม่ได้ขาดที่ต่างคนก็ต่างตั้งจิตอธิษฐานของใครของเราใช่ไหมเมื่อออกพรรษาแล้วกัน่ะโดยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพา็ญขอให้ข้าพเจ้าสําเร็จลุล่วงไปโดยดียังไม่มีอุปสรรคในชีวิตของข้าพเจ้าใครจะปะาณาจิงไหนอยู่ในกรอบ ของศีลธรรมค่ตั้งจิตตั้งใจ น, ะนี่แหละ ว, วันที่หนะ้าออกพรรษาวันที่เจ็ดทอดกรถินวัดป่าบ้านตาดแล้วก็วันที่สนะิบห้ากระถินวัดป่านาคำน้อยของพวกเราอันนี้ก็แจ้งข่าวให้กับคณะศิษยานุสิ์ผู้ที่เคยมาทําบุญนะที่วัดป่านาคำน้อยของเราวันที่สิบห้าตุลาลปีนี้เป็นกถิน พระรัตทานนะเป็นกถิญพระองค์โสมนะเหมือนกับปีก่อนนะั่นนะไม่ใช่ปีที่แล้วนะปีที่แล้วพระองค์ท่านทอดที่วัดป่าน้องภยัยหลวงพ่อสุธรรมปีนี้พระองค์ท่านมาทอดกระถินที่วัดป่านาคำน้อยวันที่สนะิบห้าเน้อขอแจ้งเขาให้ลูกหลานคณะทรทยญาติโยมทุกๆุกคนได้รับรู้รับทราบแต่จะตุปัจจัยบางคนก็บห่วงคนกะ ถ้าเมื่อมาทอดกรถินแล้วปัจจัยจะใช้อย่างไงเนะเาะหลวงพ่ออินหลวงพ่อแจ้งข่าวไว้เลยเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วพวกเราท่านทั้งหลายก็รู้ว่าวัดของเราเนี่ยเพียงพำาเกี่ยวกับน้ำท่วมนะแวันที่แปดที่เก้าพฤศจิกาเนะล่อแร่เต็มทนแต่ที่ยังไงต่อก็ไม่ถึงก็ถูกนอกนะไม่ถึงกับให้ข้าวต้มนะาตากเพียงพําพอสมควร แต่ทีนี้ถ้าจะถุปปัจจัยขึ้นมาเราก็จะได้เก็บเอาไว้เพื่อในใช้ภายในวัดหรือซ่อมแซมเสนาธนะแต่ถนนถนนขึ้นมาจากน้ำท่วมขึ้นมาในวัดก็แต่สรุปผู้พ่ายพอสมควรถ้าได้จะตุปปัจจัยมาก็คงจะคิดจุดนี้แหละจุดหนึ่งนะคงจะทำถนนที่มันเสียหายที่รถรถเข้ามาทำงาน ในขณะที่มาทำงานมาทำสะพานรถใหญ่รถหนักรถขนปูนเข้ามาทำงานถนนเราก็ไม่ใช่ถนนที่เราจะรองรับที่หนักหนาเราเอาทำถนนไว้ใช้ภายในวัดเทเพียงห้าเซนเท่านั้นเองแต่เมื่อรถปูนเข้ามารถแม็กโครเข้ามาแปลว่าแต่สรุปผู้พายพอสมควร อันนี้เราก็จะได้คิดนะจะต้องได้คิดจะได้จติตปัจจัยมาเราจะต้องปรับปรุงตัวนี้ละก่อนอนะ่ะ ใ, ในใจของหลวงพ่อนะอแต่ถึงยังไงก็จะต้องปรึกษากับคณะสงฆ์ศรัทธาญาติโยมซะก่อนเพราะหลวงพอมีเป็นเป็นผู้คิดเท่านั้นเองนี่แหละถ้าอะไรจะตุกปัจจัยมาลูกหลานไม่ต้องห่วงอจากนั้นก็ไหนะแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลัง อย่างหลวงปู่คำผิวนะเมื่อวานหลวงพ่อเขาไปนะไปงานสวดอภิธรรมเพราะท่านจะไปชุมเพลิงพระราชทานเพลิงวันที่สิบเจ็ดที่จะถึงนะอาทิตย์ที่สิบเจ็ดนี่นะวันนี้ก็วันที่สิบหกนะจะมาหลงพ่อไปวันที่สิบห้าไปกับหลวงพ่อจุดธรรมปูเลิลใครๆหลายองค์ทุกพผู้สามพ่อบุญทันหลายๆองค์พ่อสมหมายเป็น ไชยวานเป็นหลักคเราก็จะไปร่วมสมทบเราก็ได้ส่งพวกผ้าพวกจตุปัจไปเมื่อวานเนี่ยกับไปรวบรวมกันของเราเห็นว่ามันน้อยเพิ่มก็อีกเพิ่มไปอีกสองหมืนวัดเรานะแต่ก่อนหน้านี้ส่งไปถวายไปหกหมื่นผ้าไตรสิบลาผ้าไม้นะผ้าลายยี่สิบลาผ้าไม้ยี่สิบไม้ลดใจหกหมื่นแต่ปีเมื่อวานเนี่ย รวบรวมกันได้ปัจจัยสา0หมื่นเออน้อยไปวะ อ, อะไรเพิ่มเข้าไปอีกสองหมืนรวมกันแล้วนะออสุดท้ายในเงินปัจจัยทั้งแปดหมืนกว่าบาทนะก็มอบให้กับงานแต่ก็ได้ถามถามไถยว่างานเป็นยังไงก็ฟังๆแล้วก็อบอุ่นอยู่นะคงจะไม่เมื่องานเสร็จก็คงจะไม่ถึงกับเป็นหนี้เป็นสินนะก็คงจะไปไปได้ถามหลวงพ่อ สมหมายที่ท่านเป็นแม่งานอยู่ที่นั่นท่านดูแลนะเพราะอยู่ในใกล้วัดท่านอำเภอชัยวานใกล้ๆ ก, กันอันนี้ก่็เนี่ยผมพ่อกลับมาแต่ฝนตกนะ่าลูกลานนะแต่ในวัดของเราฝนไม่ตกเมื่อวานนะพอไปถึงอำเภอบ้านผืนโอ้ โ, อโหเอฝนตกตลอดเลยจนถึงลุนอำเภอหนองหานตลอดเลยขากลับมาก็เหมือนกันตกจากโน่นมาจานมถึงวัดฝนก็ กลินปลอยๆยในวัดพอมาถึงวัดประมาณสามสีทุ่มฝนกับเอาลงอย่างนี้แหละอ ย, อย่างไม่มากฝนตกลินทั้งคืน่ะ <c> ฝ <oughs> นตกลินอย่างนี้พระวันนอนหลับดีนะพวกเราอากาศมันเย็นฝนลินอีกต่างหาก <c oughs> ถ้าพูดที่จะตั่งภาวนากับพ่อหนั่งนะท้องอกตั้งใจนั่งภาวนาอากาศมันเย็นสบายนั่งภาวนาได้ดีหลวงตาบอกว่าวันไหน ฝนรินพรมำๆอย่างนี้ น, ะนั่งภาวนาวดีมากทเหมือนนะนี่นหละแต่คนขี้นอนกขาบอกโอ้ทาฝนตกทีเนี้ยโอ้เรียนตัวข่อมหลวงปู่จึงทองาเรียนตัวข่อมอฝนตกเนี่ยเรียนตัวข่อมดีมากนะเราก็เลยถามว่าตัวข่อมคืออะไรครับหลวงปู่ครับตัวข่อมก็ผ้าข่อมหัวก็นอนแลบหลับแล้วทันว่านะเรียกว่าเรียนตัวข่อม <laughs> สับสับครูบาอาจารย์เนี่ย ต, ตั้งสับแต่เมื่อวานหลวงพ่อไปเ อ, อพบกับครูบาอาจารย์ไปพบกับหลวงพ่อจุธ ร, รมเนี่ยนั่งติดกันหลวงพ่อหลวงพ่อจุทรรมก็เล่ า, เ ล, าเล่าให้ฟังว่าโ อ, อ, อ้สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดมันเกิดขึ้นแต่ก็ดูดูแล้วก็ไม่มีเจตนาแนะ่ะแต่ถ้าไม่เจตนาเออก็เสียหายได้เหมือนกันนะลูกหลานนะ แตท่ทำยังไงได้ล่ะแต่ในพระวินัยท่านก็บว่าถ้าไม่เจตนานะเนี่ยไม่มีโทษแต่ก็สะเเพ้าความมักง่ายสะเเพ้วท่าวโทษถึงท่าวโทษถึงตายนะก็เพียงปรับอวบถุกกฎเพียงแต่ว่าขาดความรอบครอบนะเ อ, อ, อันนี้คือพระวินัยของพระสงฆ์แต่นี่ก่อนเนี่ยความจุดไหนของไม่ทราบนะที่หลวงพ่อจุททาเอา โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปหลวงปู่อุ่นหลวงปู่อุ่นวัดปลาแก้วชุมพลท่านไปทําไปทําฟันพอไปทําฟันเขาเนี่ยเครื่องกอฟันเครื่องขัดฟันกอฟันมันหลุดเลยมันหลุดเข้าไปในปากของท่านพอหลุดเนี้ยก็ในปากเขาไปเอาจะเอามือล้วงก็ไปจิบไปหยิบให้ท่านอ้าปากท่านก็ไอบ้าเนี่ย พอไอ้อักคภเท่าไปเหล็กตัวนั้นอ่ะมันทั้งที่มันจะลงมันลงเป็นกระเพาะอาหารไงมันไหลไปตรงไอตรงที่ไอหลอดลมไมันหลอดลมก็ไหลออกเข้าไปหลอดลมนู่นแล้วเขาไปในปอดนี่แหละเมื่อวานเนาะหลวงพ่อจะทำเอาโทรศัพท์ให้ดู เ, ออเป็นเขาเอกชเลดูเลยเห็นชิ้นเล็กๆอยู่ในปอดหลวงพ่อเห็นโอ้โอโอ ทำไมเป็นอย่างนี้ได้ลูกหลานได้จะหนีฮาเนียววะทำยังไงท่านก็ให้ดูเราก็เลยถามมาเป็นยังไงแล้วก็หลวงพ่อเองก็เลยถามไปทางศีนครีอีกเหมือนกันนะถามอาจารย์หมอทางนน้อนอีกผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่รู้เรื่องนะอขาบอกว่าเวลากอฝันเข้าไปหัวหัวกรมันลดใหญ่ใหญ่ขนาดเท่าก้านไม่ขีดเนี่ยนะ ขนาดก้านไม่ขีด ต, ตัวตัวหัวกอมันนะแล้วก็ความยาวประมาณเ้นกว่าๆที่หลวงพ่อเห็นในในในกล้องที่เขาถ่ายในทายประมาณเ้นกว่าวาน่นิดนอที่มันไหลเข้าไปเราก็ถามวันไหลไปถึงไหนล่ะคือปอดของเรามันมีอยู่มันมีอยู่สีภูสีภูสีชิน เมพอเข้าไปมันไหลไหลไหลไปอยู่นู่นไปอยู่ถุงถุงสุดท้ายล้วางั้นไปอยู่ในถุงสุดท้ายพอเอกเรลยไปก็เห็นโลหะเลื่อมแ a งแฝอยู่นู่นสีขาวของแปรปอมทีนี้เราก็ถามว่าจะทำยังไงเราก็ถามความคิดเห็นหมอเขาก็บอกว่าเอาไว้ก่อนถ้าหากว่ามัน ต่อไปภายพาคน้าถ้าไม่มีอะไรก็ไม่จําเป็นเอาปล่อยไว้นั่นละ่ะถ้ามันไม่ร่างกายไม่ปฏิเสธนะปอดไม่ปฏิเสธก็อเอไว้เอาไว้นั่นแหะแต่ถ้าว่ามันมันอักเสบมันอยู่จุดไห น, หนมันอยู่เลยท่นนี่อย่าคอยเอาผ่าออกจุดนั้นหรืออถ้าว่ามันอไม่อักเสบก็เอาไว้อื เพราะว่าเราจะไปผ่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่รู้มันจะอยู่จุดไหนมันไหลไปไหลมาผ่าตัดมันไม่ใช่ผ่าตัดเล็กนะนี่แหละคือเวลาหมอเนี่ยเขากลัวมากเวลาคนป่วยเนะี่ยเวลาทานอาหารเข้าไปลําคอของเราเนะ่ยมันมีอยู่สองช่องใหญ่ฮนะช่องหนึ่งเป็นช่องลมช่องหนึ่งเป็นช่องอาหาร เวลาเราจะทานอาหารเข้าไปเนี่ยราจะกลืนอาหารแต่ละครั้งเนี่ยช่องลมมันจะปิดนะมันก็เปิดช่องอาหารเข้าไปเวลาทานอาหารเสร็จละกลืนเสร็จแล้วเนี่ยช่องอาหารก็ปิดช่องลมก็เปิดหายใจเข้าหายใจออกแต่ทันี้ขณะที่เวลาไอเวลาไอเนี่ยมันช่องพัดช่องลมมันเปิดใช่ไอมช่องลมมันเปิด เนีน่ยะเศษตอนนี้มันเลยไหลเข้าไปในช่องช่องลมเพราะใช้ช่วงอว่าสำลักอาหารลักษณะอย่างนั้นหลวงปู่อุ่มท่านก็หลวงปู่ของเราก็ลักษณะอย่างนั้นล่ะโอ้หลวงพ่อได้ยิงแบบไม่รู้จะว่าจะไงใช่ไหมถ้าจะตําหนิหมอเขาก็ไม่มีเจตนาแต่ว่าขาดความสะเพร่าหร้อมักง่ายแล้วว่าขาดความ ให้หลบขอบนะจุดนั้นท่านเองไม่คาดไม่ขินหลวงพ่อเลยเกิดใหญ่มาถึงขนาดนี้อายุเจ็ดสิบกวปีหลวงพ่อก็ไม่เคยได้ยินได้ยินคราวนี้ละครั้งนี้เป็นครั้งแรกอหลวงพอได้ยินหลวงพ่ออืทํำยังไงวะอแต่ถามแล้วก็ท่านก็ไม่มีอะไรละ อ, อาการดีขึ้นแล้วพร้อมที่จะกลับวัดละน แ, แต่คอยดูอาการอ แ, แต่คือยังไงก็ไม่น่าจะมีอะไรมั่งหลวงพ่อว่านะ พอบางทีบางสิ่งบางอย่างถ้าร่างกายไม่ปฏิเสธนะร่างกายไม่ปฏิเสธก็อยู่เท่านั้นแหละต่อไปถ้าร่างกายปฏิเสธมันก็ยังว่ากนะ็ต้องอักเสบหรือมีอะไรเกิดขึ้นยังคอยดูคอยอะไรกันต่อไปอันนี้ก็บอกให้พวกลูกหลานคณะตถ า, าญาติโยมได้รับผู้รับสาบลุงปู่อุ่นนึ่งถือเสมือนว่าเป็นพี่ชายใหญ่ของหลวงพ่อจุดหนึ่งแต่ก็ แต่ก็ไม่เคยจำพรรสาร่วมกันเพราะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปูส่สิงทองนะแตหลวงปูส่สิงทองหลวงปู่น้อยที่ที่ท่านมรณาภาพนั่นก็คือเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูส่สิงทองบวชเป็นคู่กันเนะลหลวงปู่อุ่นกับหลวงปู่คําพองหลวงปู่น้อยนะเป็นเป็นคู่นาค ก, กันบวชที่มุกดาหารจังหวัดมุกดาหารท่านไปบวชจากบ้านห้วยทรายบ้านห้วยทรายวัดหลวงปู่จามหนะลวงปูส่สิงทองไปจำพรรษาที่นั่น หลวงพ่อเป็นเนนจำพรรษาที่ภูเจาก้นะเป็นเนนท่านเป็นครูบาเป็นรุ่นพี่กว่าท่านก็ไปบวชที่วัดจังหวัดมุกดาหารแล้วก็โยมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จูมเป็นผู้บวชให้อาจารย์น้อยที่องค์ที่ท่านมรณภาพนั่นเป็นเป็นโยมอาของหลวงพ่อเนี่ยนะเป็นผู้บวชเป็นเป็นผู้ตั้งกองบวชเป็นผู้ถวายกองบวช เป็นผู้ถวายอัฐบริการนะแต่หลวงปู่อุ่นเนี่ยเป็นโยมธิมชื่อว่าธิมนายธิมพ่อใหญ่ธิมพ่อตู่ธิมเป็นผู้ถวายอัถบริการคือโยมอุปถากวัดป่าบั้นห้วยสายทั้งสองคนนะะั่นแหะเป็นผู้ถวายอัฐบริการให้หลวงปู่อุ่นและป๋วงหลวงปู่น้อยทั้งสองคนเขคงจะได้บุญได้กุศลเพราะว่า ทั้งสององค์นะีะปฏิบัติดีอยู่ยงคงกระพันมาจนถึงเจ็ดสิบแปดสิบปีเกือบจะแปดสิบปีแล้วท่านหลวงปู่น้อยก็เพิ่งจากไปในพรรษาเพิ่งประชุมเพิงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นอันนี้ก็บอกกล่าวให้ลูกหลานได้ฟังเพื่อได้แจ้งเอาไว้เพื่อได้เป็นประวัติศาสตร์เอาไว้เหมือนกันนะคลายกว่าเป็นที่รับรู้รับทราบกัน แต่ทางนี้ทางนั้นเราก็มองดูไม่มีเจตนาผู้หมอที่ทำแล้วก็ขอย้ำกล่าวต่อไปภายภาคหน้าด้วยคุณหมอทั้งหลายที่เป็นหมอฟันทั้งหลายผู้เกี่ยวกับคู่คนอย่างนี้มันเป็นอุทหาหรณ์ขึ้นมาแล้วนะควรจะทาให้ดีนะเป็นควรจะเป็นหลักวิชาอันหนึ่งเหมือนกันนะอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอทั้งหลายควรจะสอนลูกศิษย์ลูกหานะ แต่ลูกศิษย์ลูกหาก็แต่หมอทั้งหลายก็เถอะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอเป็นเรื่องราวขึ้นมาแล้วเมื่อได้ยินแล้วก็นเนี่ยต้องระมัดระวังการที่จะเอาหัวกอ่อเข้าไปในหัวเครื่องควรจัดหมุนให้แน่นให้มันมั่นใจอจังก่อนจะค่อยสอดเข้าปากมันจึงจะถูกนะไม่ใช่ว่าทําอโกโลกโอโศเข้าไปพอมันหลุดเข้าไปนั่นเสียใจกันทั่วประเทศฮ ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายหลวงพ่อรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกันนะจะทํายังไงได้ละเพราะมันหลุดเข้าไปแล้วะแก้ไขไม่ได้ล้วยมีแต่คอยฟังท่านเองแล้วจะมีการวิธีการยังไงอันนี้ก็คงจะถามแพทย์ถามหมอต่อไปภายภาคหน้าเหมือนกันจะมีวิธีการไหมที่จะไม่ให้เจ็บแม่อันตรายนแต่ผู้ที่ทำนะเขาคงจะเสียอกเสียใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะอแต่ถึงยังไงกู เอากำลังเอากลังใจช่วยผู้ที่ทำเหมือนกันนั่อแต่ถึงยังไงคนน่ะมันผิดพลาดไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วจะทำยังไงแต่ต่อไปมีแต่ระมัดระวังให้รอบคอบยิ่งขึ้นเท่านั้นเองตรงที่แก้ไขนะแต่มันผ่านไปแล้วจะทำยังไงอดีตมันผ่านไปแล้วมันดีมันก็ดีไปแล้วมันเสียหายก็เสียไปแล้วต่อไปจะไม่ให้มันเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นอีก อันนี้ก็คือเป็นการแก้ไขตนเองนะเนี่ยนี่แหละเป็นการล้างกรรมจะไปล้างกรรมที่มันทำมาแล้วมนะันล้างยากนะั้นลูกปลานนะี่ยมต่ตั้งล้างกรรมที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกนะอันนี้แหละคือพวกเราเป็นผู้ล้างกรรมคือตั้ง อ, อกตั้งใจทำให้ดีขึ้นจะไม่ไม่มันมีอย่างนั้นเกิดขึ้นอีกนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งบอกกล่าวพวกเราทุกทุกทุกคนนะ และก็พร้อมกันก่อให้พวกเราทุกๆท่านนะเข้ามาสู่วัดวาศาสนาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่างที่หลวงพ่อ ไ, ไปเมื่อวา น, นถึงจะเป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่ลงตาก็าเถอะนะไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นมรณะภัยไปได้คือความตายไปได้พวกเราเป็นใครพวกเราเป็นใครเป็นมนุษย์ที่จะต้อง เดินตามหลังกันไปเรื่อย เ, อเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์โลกมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่ า, าในหลักของพุทธศาสน า, าแล้วท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วไม่สูญนะี่ฟังเอาไว้ให้ศึกษาจุดนี้ไม่ใช่ฟังเฉยเฉยนะให้ศึกษาให้ตั้งความสังเกตไว้ให้ตั้งความสงสัยเอาไว้ ให้ฟังเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดนอันนี้ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องทั้งหลายออกมาจากใจทั้งหมดถ้าใจดีคิดดีทำดีออกมามันก็ดีทางใครใจคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วสิ่งที่ออกมาการกระทาก็ชั่วการพูดก็ชั่วเพราะอะไรเพราะมันคิดชั่ว คนโบราณเขายังเปรียบเทียบให้ฟังว่านะเหมือนกับอุจจาระเลยขี้อยู่ในลำไส้ของเรานะถ้ามันขี้เหม็นตดออกมามันก็เหม็นตดออกมาเหม็นขี้มันก็ต้องเหม็นอันนี้พูดแบบห ย, ยาบๆให้ฟังนะที mm hmm. นี้กูเหมือนกันถ้าหากว่าใจของเราเป็นใจของเรามปนชั่วใจของเราคิดไม่ดนะีการพูดออกมาก็ไม่ดีการกระทําออกมาก็ไม่ดีเพื่ยอะไรเพราะ ความคิดในใจของเรานี่ยมันไม่ดีมันชั่วความคิดชั่วะเนี่ยแหละมันออกมาจากใจอันนี้กูเหมือนกันนะอผายลมออกมามันมันจะมันจะมันจกอุจจาระถ้าอุจจาระไม่เหม็นนะไม่รู้ผายลมมันก็ไม่เหม็นถ้าอุจจาระเหม็นผายลมมันก็เหม็นเนี่ยเพื่ออะไรนี่ออกมาจากตัวหลักตัวหักคือตัวตัวหลักคือกฎเกณฑ์นี่กูเหมือนกันถ้าหาว่าใจของเราเป็นสิลงเป็นธรรม การพูดออกมาก็เป็นศีลเป็นธรรมการกระทำออกไปก็เป็นศีลเป็นธรรมถ้าว่าพวกเราคิดไม่ดีเป็นอกุศลมีจะทำร้ายทำร้ายผู้อื่นมีแต่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นมีแต่คิดทางชั่วการกระทำออกมามันก็ชั่วการพูดออกมามันก็ชั่วเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านเข้าไปดูตัวนั้น ตัวต้นต่อต้นต่อแนวความคิดนั่นนะถ้าว่าต้นต่อตัวนั้นได้อบรมเรงศีลธรรมใจดวงนั้นได้สำเนียกได้สำนึกสิ่งควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้ศีลอันนี้ธรรมอันนี้คุณงามความดีอันนี้จริยธรรมที่ดีใจดวงนั้นได้รับการอบรมดีการกระทำกายวาจาของเราก็ดีไปด้วย ดัก่อที่พวกเรามาวันนี้นะ่มาสูว่วัดวาศาสนาก็มาเพื่ออบรมจิตใจดวงนั้นนะที่ดวงอยู่ข้างในนะั้นให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมให้มีจริยธรรมที่ดีในเมื่อศีลจิตใจดวงนั้นเป็นผู้มีสิทธิจิตมีธรรมแล้วใจของเราดีแล้วถ้าออกจากภพนี้ชาตินี้ไปพวกเราไปอยู่นักฐานที่ใดก็มีแตไ่ไปได้ดีทั้งนั้นไปเกิดให้ดีที่ดีทั้งนั้น ถ้าชําระใจดวงนั้นได้แล้วก็เข้าสู่นิพพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าถึงไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ไปเกิดเป็นพรหมหรือไปเกิดเป็นเทวดาหลายชั้นภูมิจากนั้นก็นมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีอวัยวะสมบูรณ์มีตาหูจมูกเล่นกายสมบูรณ์แต่ถ้าหาว่าเป็นบาปอกุศลพอตายจากภพนิชชาดเนี้เนยลงไปสู่ เอเวจีมหานรกนะจากนั้นพอผลจากนรกมาก็มาเกิดเป็นสัตว์สารสาิงมาเป็นเปลตมาเป็นสัตว์ที่ดิฉานนาน า, นานชนิดแล้วก็มีคนถามหลวงพ่อว่าเอสมมุติว่าสมมุติว่าคนตายอย่างระเบิดปรมาณูอย่างนี้มันต้มเม่ อ, อมันตายคนตาย เ, นยเขาจะรู้จักต้นต่อไหม ใครเป็นคนโดนระเบิดใครเป็นคนกดระเบิดกดปุ่มระเบิดอจนถึงเขาตายถ้าจะขอผูกอาฆาตก็จะผูกผูกอาฆาตได้ไหมหลวงพ่อว่ามันก็คงได้แต่ ว, ว่าใจตรงนั้นน่ะออมันก็คงจะมีความพยาบาทอยู่ในจิตในใจมันก็จองเวรไว้ในใจพอไปฆ่าเขาโดยโดยที่เขาไม่รู้อินโนอินเนเขาไม่ได้ทําอะไรครับตัวเอง ตัวเองไปฆ่าเขาเขาตายเขาผูกพยาบาทถ้าว่าเกิดพบหน้าชาติหน้ากันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ย เ, เกิดมาพบหน้าชาติหน้าไม่เคยเห็นหน้ากันเลยไม่เไม่เคยรู้จักมักคุนกันเลยพอเห็นกันแต่มันคว้างตาพพเพราะเ็รอะไรมันคงจะเคยทำกันในอดีตชาติมาแล้วนะ เออพรามันเห็นกันแํามันคว้างตาเออหลวงพ่อก็เคยเห็นเหมือนกันนะเออพวกเราคงจะเคยมีเทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรไม่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อนแต่พอเห็นกันนามันคว้างตาเลยเพื่ออะไรสงสัยที่เคยเป็นอริศัตรูกันมาก่อนในอดีตชาตินะแต่บางคนมาพอเห็นกันอูกถูกชะตาพอเห็นกันรู้จักมักคุ้นเหมือนกับเคยรู้จักมักคุนกันมาเก่าแก่ดึกดําบรร เห็นเขาเข้าไปแล้วกันนะพูดกันได้เข้ากันได้ดีเป็นมิตรเป็นสหายกัน เ, เป็นญาติโกโหติกาวกันพึ่งพาอาศัยกันนี่แหละอันนี้ก็คงจะเป็นญาติเก่าแก่มาในอดีตชาติแต่ถ้าว่ า, าพระพุทธเจ้ายัางสงทาดสงขันอยู่นะพระองค์ก็คงจะทานายได้บอกกล่าวได้นะแต่สมัยหนึ่งพระ พระสงฆ์อยู่ในปวัดป่าเชตะวันมหาวิหารก็มีพระองค์หนึ่งเกเลียวยางสุดๆอยู่ในวัดป่าเชตตะวันแต่ก็ไม่ถึงกับเอทําให้ถึงกับเสียหายมากแต่วางกล้ามวางหมาดเป็นนักเลงเหมือนกันเถอะมีอะไรมีแต่จะชกจะต่อยจะตีนะ่ะแต่ก็ไม่ตีไม่ต่อยใครหรอกแต่ทั้งทำให้พระเนเนี่ยเอาลาคาญขยาดเหมือนกันเหมือนกันเละเห็นแล้วแต่ไม่รู้จะทำยังไงมันก็ไม่ทําผิดอะไรมาก แต่มันกับวางหมาดวางท่านักเลงเลยแตนี้ก็มีพระองค์หนึ่งอีกอยู่ในช น, นบทอยู่ในช น, นบทองคนั้นก็โอ้โหไม่ยอมใครอีกเหมือนกัน่วางหมาดวางท่า น, นักเลงเหมือนกันแต่นี้พระองค์นั้นก็ได้ยินกิจที่ศัพท์เหมือนกันพอแต่นี้เขาก็เลยพระองค์นั้นก็เข้ามาวัดป่าเชิดตะวันเข้ามาว่ากาพระพุทธเจ้านะ จะมากราบพระพุทธเจ้าถึงจะเป็นนักเลงก็ยอมรับยุธยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่างั้นแต่นักเลงก็คือนักเลงเลยตอนนี้ก็ได้พอมาเด็ไอ้พวกพระที่อยู่วัดป่าเชตะวันเอ้ยเดี๋ยวเราเอาพระสององค์มาอยู่ด้วยกันให้อยู่ในกุฏิเดียวกันเพราะมันเก่งด้วยกันเลยว่ามันคงเราคงได้ได้ดูมวยฟรีแล้ววะว่าจะไหน อพระสมัยก่อนก็นกไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะอยากจะดูมวยฟรีว่างั้นเถอะเอาพระสององค์นักเลงตัวนักเลงมาอยู่ด้วยกันอยู่ในกุฏิเดียวกันแต่นีนเขาก็เลยจัดกุฏิให้ว่าพ่อจัดกุฏิให้ไม่ก็ให้อยู่หลังเดียวกันเหมือนกันเถอพวกพวกนี้ก็คอยคอยดูว่าเอยพระสององค์มันจะต่อยกันเลยมันจะต้องโมโหคนโมโหร้ายบากนการเด็กคาจะซัดกันแล้วพวกเราจะได้ดูมวยมวยพระฟรีว่างั้นเถอะ แต่พอมามาอยู่ด้วยกันโอ้โหเหมือนปีกขวี่ท่านี่เออไปด้วยกันพูดอะไรรู้เรื่องกันทั้งหมดท่านี่พวกพระทั้งเลยเลยผิดหวังเหมือนกันเ อ, อผิดหวังโอ้แต่แ ต, ต, ต่เราคิดว่าพวกเราจะได้ดูมวยมวยฟรีพอมาเห็นพระสององค์เข้าหูกันอีกท่นี่เหมือนปีกขวี่ท่านนี้พูดกันโอ้เอานอกอะเ น, นี้เหมือนกับพี่พี่น้องๆเองเออ พระสงฆ์อะไรไปกราบทูลพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าข้าเนี่ยพระสององค์เนี่ยอยู่ในวัดป่าเชติดตะววันเขาว่าองค์หนึ่งแหละไม่ลงใครวางหมาดวางกล้ามองค์นี่กับบ้านนอกเหมือนกันแล้วพวกข้าพระองค์เอพวกพระก็เลยเอามาอยู่ด้วยกันไอ้คิดว่ามันจะให้มันห้ำหันกันที่ไหนได้มาถูกกันอีกเนี่พระพุทธองค์บอกว่าเออมันมี มันมีมาแล้วในอดีตการน่ยมันเคยมีมาแล้วในอดีตการพระส่งกระเลตลาบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนหนอพระเจ้าข่าที่ว่าในในอดีตการ์เอาตั้งใจฟังเราจะเล่าอดีตชาติให้ฟังคือเนี่ยนะสมัยหนึ่งพวกพ่อค้ามา้าสมัยนั้นพระราชาแต่และหัวเมืองเขาต้องสะสมม้าบางช้างบางแอบพวก เกวีพวกรถบางที่จะนำขนทัพสัมภาระาแล้วก็ไปสู้ศึกสงครามปกป้องประเทศเขาต้องมีช้างมีม้ามีวัวติดขนลากเวียนมีรถม้าเรียกว่าม้าสำหรับไปสู้ศึกแต่ทอนี้เขาก็เลี้ยงม้าแล้วก็เอาม้าไปขายเเอาม้าไปขายเนี่ย เสนาอํามาดเมืองหนึ่งเอเมืองหนึ่งที่นึงเขาจะจะซื้อม้าราคาทุกทีนึงเขาก็เลยเลี้ยงม้าตัวที่มันดุดุะ่ะเอพอมันดุดุอพอพวกพ อ, พ อ, พอ้าม้าเอาม้ามาขายทีนี่ก็ปล่อยม้าตัวนี้ไปม้าที่ตัวดุดุเนี่เอไปมันกกัดมา้าไตม้าโอ เ, อ, อเป็นแผลอพอเป็นแผลจะนี่ก็ราคามันกระตกแต่จนะไม่ะ ให้พวกค้าม้ากขาไม่รู้จะเอาไปที่ไหนเพราะมันไม่ใช่เมืองคนตนเองก็เลยขายให้ราคาถูกๆขายให้พวกเนี้นะพวกที่เอาปล่อยม้าตรง น, นี้ไปแต่พวกค้าม้าเขาก็ไม่รู้ว่าอพวกพว ก, พวกในเมืองเนี่ยเสนาอัมมาในเมืองเขามีแผนมีแผนที่ปล่อยม้าเขาไปกัดมา้าไปทําลายม้าของตัวเองผลในที่สุด พ่อค้าไม่ได้ไม่ได้พวกเราต้องแก้เพจกันนะเนี่ยพวกนี่ก็ไปชนบทใช่ไหมนะเขาไหวเห็นม้าตัวหนึ่งแต่ตอนนี้เโหไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะอแปลว่าไม่เคยแพ้ใครเลยนะ่ะม้าตัวนี้อพวกพ่อข้าม้าตัวนี้ก็เลยไปซื้อม้าตัวนั้นมาป้ะนะเอาเถอะถ้าหากว่าไปถึงเมืองนั้นนะ่ะเขาปล่อยม้าตัวนั้นมาแล้วจะปล่อยม้าตัวนี้ออกไปซัดมันเลยอย่างเงีนนะ้ย พอในสุดก็เลยไปถึงเมืองนั้นเนี่ยพอไปถึงมันเขาก็ปล่อยม้าอย่างเก่านะาะเพื่อมาแห้มากัดมา้าพอค้าหมาเนี่ยพวกพกค้าม้าจะปล่อยม้าแต่ไเนี่ยตัวที่มันดุๆเนะพอไปที่ไหนได้โอ้โหพอมันไปแล้วมีแต่แ้แ้แ้แ้ใส่กันเฉยๆจนเงินไปด้วยกันกินด้วยกันโอ้โหเหมือนกับมันเป็นมิตรเป็นสหายกันมาก่อนเนี่ยผลที่สุดพอค้าอลไรมดท่าอลไรวกั้นเนี่ยที่ว่าจะให้ ม้าของตัวเองไปกัดม้าเจนะอามัดของพระเจ้าเป็นดินอยู่ในเมืองนี่แหละม้าสองตัวเนี่ยพระสององค์เนี่ยมันเคยเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันมาแล้วในอดีตชาติมันเป็นอย่างนี้แหละพระสงค์ทางลายนี่แหละอันนี้ก็คือมันเคยเป็นมาถ้าว่าใครเป็นอริจตูกันมา ก, ก่อนพอเห็นกันมันขวางขวางตากันนะอแต่นี้ถ้าว่าคนที่รักเคารพเคย อยู่ด้วยกันมา ก, ก่อนพอเห็นแล้วกับเมตตากันสงสารกันรักกันเนี่ยมันเป็นนิสัยติดพบติดชาติเหมือนกันนะคณะทรรญาติโยมลูกหลานนะเพราะนั้นกรรมที่ไม่ดีอย่าทำนะถ้าทำไปแล้วกรรมสิ่งที่มันไม่ดีนะมันจะติดพบติดชาติพวกเราต่อไปภายภาคหน้าแต่ทาแต่กรรมดีเนะนื่องมาจากทำกรรมดีแล้วกรรมดีนะั่นะจะเป็นผู้ เกือกูลหนุนแล้ ว, ว่าติดภบติดชาติไปเหมือนกันนนั้ให้พวกเราดูสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีคิดทําพูดในสิ่งที่ดีจะให้พวกจะนําติดตัวของเราไปสู่ปรโลกจนถึงชําระกิเลสเข้าสู่นิพพานได้นี่นะความดีนะั่นจะเป็นผู้พานําไปแต่ความเร็วความเร็วความชัว่วมิตรภาตก ให้ตัวเองตกต่ำเท่านั้นแหลอมันสูงไม่ได้หรอกความชัวนะ่วมีแต่มันต่ำมีแต่ความดีจะทำให้ตนเองสูงได้ถนะ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรเนตนีเนะ้อ